อย่างนี้ก็มีกลุ่มของโรงพยาบาลบัวใหญ่ก็มาสมทบปฏิบัติธรรมห้าวันเนื่งในเทศก า, ข า, ศ า, ศาลขบรรษาอาสาบูชาก็ใส่ช่วงวันหยุดยาวมาพักผรนกายใจของราย้มันคืนสู่สภาวะธรรมชาติธรรมดาเป็นปกติ ศึกษากายใจกันเป็นวิชาของศาสนาศาสนาให้เรารู้จักตัวเราดูกายรู้ใจรู้กายรู้ใ จ, ใจเห็นกายเห็นใจถ้าเห็นแล้วมันจะแตกฉานอาการต่างๆเป็นธรรมชาติธรรมดาแม่ว่ า, าเป็นสุขแม้ว่ า, าเป็นทุกข์แต่เห็นบางตอนก็ลองมีการ ตาในใมันเริมหูเริมตาเห็นสภาวะธรรมสภาวธรรมต่างๆที่กำลังปรากฏขณะต่อขณะเป็นปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันของจริงเราเกี่ยวข้องกาการต่างๆภายในภายนอกภายนอกก็มีมากมายภายในก็ มีมากมายเหมือนกันภายนอกตาก็าทบรูปหูเขาทบเสียงภายในก็จิตคิดนึกตรุงแต่งปกติคิดก็เป็นทุกข์นะปุถุชนคนทั่วไปคิดก็เป็นรักเป็นชังเป็นหลงเป็นเกิดเป็นหลงคิดก็คิดไม่เป็นคิดแล้วก็ติมแทงตัวเองติมแทงผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองบียดเบียนผู้อื่น ทางกายวาจาใจเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นความฉลาดความโง่ไม่ฉลาดนีน่เราเราก็จึงมาเปิดหูเปิดตากันตาสติตาปัญญาในการฝึกหัดกรรมฐานพุทธศาสนามีการพูดถึงเรื่องกรมกรมฐานมีปรัชนากรรมฐานธรระสมถกรรมฐานมี ส, สมถติมีวิปัสนสานสาสมถตก็คือ ทำให้จิตใจเราสงบทำฟุ้งซ่านว่าวุ่นมันก็เหนื่อยก็ต้องหยุดไปนปัพานารือทำให้ฉลาดใช้กายใช้ใจนี่แหละไม่ได้ทิ้งไม่ได้กว้างแต่ว่าใช้ละวางใจเสกมีการปล่อยมีการวางใช้กายใช้วาจาใช้จิตใช้เสกละ ว, วางถ้าจะยึดก็ยึดเป็น เช่นยึดถืออภิพุทธยึดถือพระธรรมยึดถืออภิทรงก็ถืออยู่นะถือเป็นไตรสรณคมถือแต่ถือแล้วไม่ได้หนักถือถูกเรื่องถูกราวถือแบบใช้ไม่ถือเพาว่ามันไม่รู้จะวางตรงไหนทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้จักใช้รู้จักวาง ตนั้นมือนจะเป็นตัวปัญญาเราเลยมาฝึกใช้กายใช้วัาายวใช้จิตใจวัตถุหนึ่งสองสบุคคลหนึ่ง 2, สอสมมมติเต็มโลกนี่แหละใช้สมมติกันเป็นสมมุติสัจจะเป็นสมมุติแต่เป็นความจริงที่ชุมชนและสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับถือเตาชี้อะไรชี้เราดี เราก็ทำอะไรชี้แล้วมันไม่ดี ม, มีกรอบมีขอบมีเขตล้วก็ใช้ใช้เสร็จแล้วก็วางกันสมมุติบัญญัติต่างๆก็มีเรื่องของทานมีเรื่องของศีลมีเรื่องของภาวนาทานถ้าทําเป็นก็ไม่ทุกถ้าทําไม่เป็นให้มันก็ทุกนะแล้วก็ทําให้ไม่เป็นก็ยึดนะให้แล้วไม่ขาดให้เรายังเป็นของกูของกูะ ให้แล้วว่าให้ไม่เป็นก็ออนแอขนาดให้นะออนแอไปเลยได้นะคนที่รับเนี่ยออนแอพึ่งตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยงอเป็นขอทานงอไม้งอมืองอแ้งงอขางอเข่าเคื่อนไหวไม่ได้ที่นี้เรามาฝึกกันให้มีการเคลื่อนไหวว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ความแข็งแรงจะเป็นร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนไม่นิ่งนีแข็งแรงจิตใจนี่ถ้าเคลื่อนไหวมากๆานี่อ่อนแอทามันปุบเข้าปุบออกมันว้าวุ่นมันวุ่นวายใจมันไม่สงบอันนี้อ่อนแอจะทํามันหยุดคิดหยุดปรุงมาแล้วมันแข็งแรงจิตนี่ต้องนิ่งแต่ร่างกายเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหว ไงก็เป็นอมาฝึกอามาปั้นที่นี้จะมีการฝึกการเคลื่อนการไหวกายเคลื่อนไหวร่างกายมั น, นิ่งรู้ตรงนี้แหละมันก็เป็นการทำทานเหมือนกันไม่เกิดอรภัยทานขึ้นมาเกิดการปล่อยการวางหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยยึดเคยถือต้องเป็นการทำทานเหมือนกันมีวัตถุทาน ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ผลประมาณไม่ได้ยิ่งยิงหมาสารผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์มันเป็นเรื่องของปฏิการหกได้รับประโยชน์ถ้าผู้รับในบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ทายกทายกาก็ได้ประโยชน์ เพราะนันให้มาต้องให้ให้เป็นให้โดยด้วยปัญญารับก็ต้องรับด้วยปัญญาให้ก็ต้องให้แบบไม่มีตัวตนผู้รับก็ต้องรับแบบไม่มีตัวตนด้วยนะถ้ารรับอย่างมีตัวตนมนก็กลายเป็นแบบของหนักหลกาเนี่ยก็จึงต้องมีคําว่าอายะสมทุทัยชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงแล้คนที่อยู่ในโลกนี้ต้องมีอายะสมุทาได้มาผ่านไปได้มาผ่านไปได้มาผ่านไป ถ้าใช้ก็เกิดประโยชน์ใช้เสร็จแล้วต้องวางแต่ใช้ทิ้งใช้กว้างอันนี้ก็ไม่มีปัญญายใช้เป็นบาปใช้เป็นความโง่ใช้เป็นพาละมันมีมันอยู่ศีลทานทําให้รวยศีลทําให้สวยศีลงดงามศีลนหนักแน่นศีลคือความเป็นปกติจิตปกติไม่ใช่จิตสุขจิตทุกข์ จิตปกติก็คือจิตธรรมดาธรรมดาทีมีการปล่อยมีการวางก็มันอยู่ด้วยความปกติความไม่ปกติอันนี้อยู่นะเราก็มีลักษณะของปัญญาตาในสติ ร, รู้รู้สติตาในปัญญาตาในเนะี่ยดูดูแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็มัเข้าไปเปลนในอาการต่างๆอาการของกายก็มีอาการของจิตก็มีอาการของจิ ต, าาจตคือคิดเก่ง ความคิดนี่เป็นธรรมชาติของจิตจิตนี่ต้องคิดนะคิดบางเรื่องเนี่ยเรารู้ทันเป็นประโยชน์ก็มาใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็สลัดคืนไปไม่ห้ามแต่ว่าเมื่อมันคิดขึ้นมาก็ไม่ต้องตามไปปรุงอันนี้คือตาสติตาปัญญาตาในมันจะบอกอย่างนั้นเห็นแล้วมันก็ผ่านเห็นแล้วมันก็ จะลยแจมแจ้งว่าวัตถุอาการต่างๆที่ถูกรู้ันคืออะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศ ล, ศลถูกรู้มันคืออะไรไม่บุญไม่บาปเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นความบริสุทธิ์มัจะรู้ของมันเองภายในนั่นเนี่ยคือวิชากรรมฐาน เรื่องทาเรื่องศีลเรื่องภาวานาก็มีมาตั้งแต่สมัยกุศลกายแล้วนะเช่นถ้าเป็นญาติโยมมหาอุบาสิกาผู้หญิงนะนะอุบาสิกาอุบาสกาบาสกขุนชายนะถ้าเป็นอุบาสิกาก็ต้องนังวิสาขาเป็นเลิศใด้า น, นการทําทานไม่มีใครเกินอย่างเช่นจะสร้างวัดสร้างวานะมันก็เป็นความบังเอิญจริงๆ ทุกครั้งที่ไปงานมงคลงานแต่งงานหรือว่างานที่มันเป็นงานบุญบ้านใครก็ตามจะแต่งตัวเต็มที่เลยใส่เครื่องประดับแต่งเนื้อแต่งตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งกลับมาผ่านวัดของสมเด็จสมเด็จสมมาสมัมพุเจ้าวัดเชตวันเจแล้วก็ไปฟังธรรมทุกครั้งก่อนกลับบ้าน นางไกนางอะไรล่ะซูีมาดูแลเครื่องประดับปรากฏว่าฟังธรรมเพลินลื่นลมมากใจเป็นสุขเดินกลับบ้านเนระิ่มเครื่องประดับเครื่องประดับไอ้ทิมเมียราคาแพงที่สุดมันชื่อว่าอะไรมหารัช ด, ดาปราศาตร มันแพงที่ว่าแพงก็คือ90ล้านเกล้านหน่อยเป็นกะหาป น, นะมันแพงแต่ว่านางเห็นพานนนะแต่ต้องเกินประดับแล้วก็เลยไม่เอาคืนนางสุสีมาก็น้อยใจนะว่าตัวเองทำไมขี้หลงขี้ลืมเนี้ย สมบัติของเจ้านายเป็นคนใจที่ไม่รับผิดชอบก็จะตัดสินใจรับผิดชอบด้วยชีวิตเลยราคาแพงมากถ้าครอบครัวทั้งหมดจะรับผิดชอบกันนางก็สงสารให้อภัยไม่ถือสาหาความบอเออดีแล้วอยู่กับพระ อ, อนนทนน์นดีแล้วก็ประกาศขายเลยใครซื้อได้ก็เจ้าสร้างวัดบุภาลาม ปรากฏว่าไม่มีใครซื้อได้เลยไม่มีตังนางก็เลยต้องซื้อคืนถวายเงินเก้าสิบล้านให้กับพระนรนสร้างวัดสร้างไว้ชื่อวัดบุภาลามก็รสร้างให้พระสงฆ์อยู่พันรูปเลยพระอะไรล่ะพระโมคคัลลานะเป็นวิศกรเคยรู้ไหมพระโมคคัลลานะ จบวิชาอะไรวิศวะนะใสจแล้วมีฤทธ์เยอะก็คือเก่งอ่ะทำงานคล่องตัวไว้มากสี่เดือนสร้างเสร็จเลยเ อ, อ, อาคารสี่ชั้นพันห้องให้พระพันลมาได้มาอยู่พอสร้างเสร็จก็มีความสำเร็จปีติอย่างสูงทั้งบริวารทั้งนางวิสาขาก็พอลำ ลองบทเพลงสรรเสริญการทำบุญลองฉลองกันหลายวันหลายคืนจนหลายคนมองว่านางบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วไปทูลถามพระเจ้าเจ้าว่าเป็นอันนี้สองของการทำบุญอันนี้สองมันจะต้องเกิดบุญอย่างนี้แล้วจิตมันมีความสุข ลองรำทำเพลงเมนเพราะฉะนั้นนางวิสาข า, านีา่มีการบรรลุธรรมตั้งแต่อายุ น, น, น้อยบรรลุเป็นพระสดาบันนะทั้งทรัพย์ทั้งการปฏิบัติทั้งศรัทธานะพร้อมหลายคนบางทีมีศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์ หลายคนมีทรัพย์มั่งคัง่งแต่ไม่มีศรัทธาเข้าวัดเข้าวานะ่ยไม่มีเพราะด้านนางวิสาขาจึงเป็นเลิศสบายวการมีทั้งทรัพย์มีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีทั้งการไมรู้ธรรมเราได้วังนี้ก็รู้สึกมันมีจริงๆมีทั้งให้อภัยไม่ถือสาหาความทาศีน่าผู้หญิงนางอะไรสุสีมา ว่าเป็นคนไม่รับยี่ช่องวาจามา ต, ตุรสปิยาวาจาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วเราจะได้ทำบุญอันนี้คือการทำบุญทำทานรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบอันนี้เป็นศีลสังคมเข้าวัดเข้าวาวต้องมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบละลายพฤติกรรมไว้ก่อน จะรู้ว่าขอบเขตนี้วัดบาอาลามเป็นที่อภัยทานเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสี่ห้าสี่8เพิ่มอีกสข้อสี่ห้าเรารู้จักกันดีอีก3ข้อคือไม่นอกทานอาหารในเวลาไวการยกเว้นอาพาธป่วย้าพาธป่วยมีใบรับรองแพทย์หมอพอจะฉันเย็นกันได้ไม่ ขับเพลงดนตรีดูการละเล่นชนี้เป็นข้าวสึกต่อขสนทัดสรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนได้พวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นด้วยเครื่องผัดทาอันนี้ข้อที่7ข้อที่8ดไม่นั่งนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ก็บอกถึงว่าถ้านั่งนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ตื่นนอนจะขี้เกียจจะมีลนะกณะอาการคนขี้เกียจแสดงออกมาอันนั้นเป็นทําำไฟเสื่อมตื่นนอนก็จะติดที่นอนอีกเดียวนึ่งอีกเดียวหนึ่ง พิกขวาแล้ว ก, พก็พิกซ้ายพลิกซ้ายแล้วพิกขวานะรู้สึกตัวแต่ยังไม่ลืมตาก็เลยมีศีลแปดใชไม่ต้องนั่งนอนมันที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่ต้องเอาความสบายแต่เอาความสะดวกอย่างนี้ผู้ชายหลายคนก็คงจะเตรียมต้องกางเต็นท์นอนตรงนี้หรือว่าเอามุงนอนแบบง่ายๆกันมาอยู่วัดป่าสุกตัวปฏิบัติธรรมก็กินง่ายนอนง่ายอยู่ง่าย อยู่แบ บ, บง่ายๆกันก็ฝึกตอนสอนตอนกันที่นี้เขาปฏิบัติทมกันในแนวเคลื่อนไหวก็เรียกว่าภาวนาทานศีแล้วก็ต้องภาวนาเคลื่อนไหวเดินจงกลมกายเคลื่อนไหวใจก็รู้อย่างนี้นะเดินไปเดินกลับมันก็มาจากพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันมาจากพระสูตร คือว่าโดยหมวดสมัยยาปัจพะทางตื่นยันหลักให้เราได้มีโอกาสฝึกตนสอนตนปฏิบัติธรรมไปไม่ได้หมายถึงว่าต้องปริคุยเวกอะไรแต่หมายถึงการนัน่งการเดินการยืนการนอนเดี่ยวนี้เลยให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวหนาย ว, ว่าแต่เดินไปซะหน้าถอยมั่งหลังก็คือเดินจงกรมนั่นแหละเราเคยเดินฟรีๆมาเดินจงกรมกันเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับรู้สึกตัว การคู่การเหยียดเคลื่อนไหวเอาไว้วนะ่าคู่เข้าเหยียดออกรู้สึกตัวนี่เนการฝึกหัดจิตเบื้องต้นเลยให้จิตของเราที่เคยไหลไปกัความคิดกลับมาสู่ปัจจุบันขณนะกลับบ้าน จ, จิตจะออกนอกบ้านทุกซนฝนะนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนนะอันตรายนอกบ้านเยอะแยะกลับบ้านก็ปลอดภัยมีประตูหน้าต่างมีหลังคารวดล้อมกรอบชิดนะ สะอาดสะดใจที่ปกติเป็นใจที่สะอาดใจที่ไม่ปกติน่ะมันก็เป็นใจที่เสียสูญแล้วก็ทายสุดแล้วก็ว่าเราสูญเสียมีก็บอกไม่มีพอก็บอกไม่พอกลารเป็นคนมากมากอยู่ยากแต่ของเรามันลักษณะที่ว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยมักน้อยมากกันช่อกว่านะ มั ก, กระทางเดินนะนะมักน้อยๆเรือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาปฏิบัติให้รู้สึกตัวกันัใงการเดินการยืนการ น, นอนรับประทานก็เป็นการฝึกสติฝึกหัดสติภาษาพระเรียวฉันการกินการเคี้ยว ก, การเกลือนวัวการลิมรสการเข้าห้องน้ําการถ่ายปัสสาวะอุจจาระรู้สึกไปด้วยใหม่ๆรับพัฒนาจากรูปแบบ14อย่างหวะ ทีนี่นะอัตลักษณ์เอกลักษณคือสิบสี่ชั้นวะให้เคลื่อนไหวรู้สึกคลิกมือตั้งรู้สึกยกมือขึ้นมารู้สึกตรงนะีเดี๋ยวผู้ใยจะได้เรียนกันเรื่องตรงนี้ะแล้วก็มีคนเกา่าเก่ามาจํานวนหนึ่งก็ใช้ห้าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยก็คือทําเอาเองเลยไม่ต้องมาร่วมกับคนใหม่ๆ ใ, ให้ลงฐานปฏิบัติต่ตอยอดไปเดีเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกมื่จะเกิดอารมณ์ปฏิบัติขึ้นมาเช่นงอกง่วงอ ในการงก่วงนิวรธรรมทาที่เป็นอกุศลหรือว่าฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมายิ่งทายิ่งฟุงฟ้งเพราะมันไปนกวนความคิดมันเป็นตะกอนนอนก้นตกผลึกอยู่ในจิตใจอยู่ในสันดานพอเวลาเราทำกรรมฐานจะถูกเขีย่ยผลึกติมตกกา ค, ค, ค่อยๆฟุ้งขึ้นมาเพราะนั้นยิ่งทาจะยิ่งคิดนะปฏิปรธรรม แต่ว่ายิ่งคิดเรายิ่งรู้ตรงนี้สำคัญเมื่อเรายิ่งรู้ก็ยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งรู้แหละมันเป็นอย่างนั้นอารมณ์ต่างๆจะแสดงออกมาความคิดต่างๆก็จะแสดงออกมาให้เราได้รู้สึกตัวเราก็จึงฝึกหาตัวเองกันนั่งเดินยืนนอนรู้ปัจจุบันกาหนดกรรมฐานกรรมฐานทำไมเกิดธรรมชาติกรรมฐานนี่ใหญ่ ใหกกรรมดีกรรมชั่วก็กรรมฐานเหนือดีเหนือชั่วเวลาเกิดธรรมชาติกรรมเหนือเหตุเนื้อผลเนื้อถูกเนื้อผิดเหนือบุญเนื้อบาป ค, ความรู้สึกตัวนะ่ะมาเหนือจริงแต่ว่าไม่ให้มารู้สึกตัวที่การเคลื่อนการไหวก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวเป็นวัตถุรูปธรรมนะ่นะนะอารมณ์รูปนามมันจะไหลไปสู่นมนามรูปมันจะไหลไปสู่การปรุงการแต่ง มันจะไหลไปสู่นิสัยความเคยชินเก่าๆ เ, เคยเป็นคนโทสาจริตมหาจริตมันก็จะไหลแบบนั้นเคยเป็นคนที่วิตกกงังวลอย่างเงีย้ยเศร้าซอยเอยเงาเบือ่อเซงอะไรเงี้ล้เป็นคนที่ชอบคิดดีทดําดีพูดดีอะไรมันก็จะไหลตกล้องนั้นแบะบนั้นผู้ใหม่ๆที่มาพยายามตัดเรื่องความกังวลทั้งหมดความกังวลภาษาทางวาสนาเรียกวปริโพ o น์ ปริพเทอร์รู้ความกวนจะมีเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องการงานต่างๆที่ค้างคาอยู่บนโตะ๊นะหรือว่าการงานต่างๆที่ค้างคาอยู่ที่บ้านฝนไม่ตกอากาศแรงนะไม่มีใครรดน้ำต้นไม้อย่างงี้นะมันก็จะคิดขึ้นมาเคยทําอะไรไว้เป็นนิสัยเป็นกรรมอะนะมนโนกรรมมันก็จะแสดงออกมาให้เราได้รู้อ๋อ เรายังมีการห่วงอยู่มีการเหมือนกับว่ากังวลแล้วก็ทาให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันกับการฝึกการหาดการเคลื่อนการไหวการเคลื่อนไหวของกายแต่ละขณะแต่ละขณะมันจะเหมือนกันหลักหายใจของเรามันอยู่กับปัจจุบันสติการเลือกรู้สติก็รเลือกรู้ก็เหมือนผูกกันไว้ถ้าเราไม่ได้ฝึกอย่างนี้มันจะไหลไปตามความคิดไปตามอารมณ์ ตาตาดูก็ไปทางตาแ ต, าต่หูฟังก็ไปทางหูตาดูก็ปรุงต่อหูฟังก็ปรุงต่อแทนที่จะจบแค่ปัจจุบันสั้นๆมันต่อยาวคิดยาวมันก็ทุกยาวถ้ามันคิด น, น้อยๆคิดปับรู้ปุ๊บมันก็เออความทุกข์มันก็ลดก็ให้เราสังเกตกันแล้วกันให้เห็นการเคลื่อนการไหวนั่งเดินยือนนอนเป็นหลักไว้ก่อนวัตถุรูปธรรม ต่อมาก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้มีการกระทบสัมผัสรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มากที่จะมากได้เพราะการเคลื่อนการไหวนี่ของกายแต่ละขณะแต่ละขณะนี่มันเป็นหลักของกรรมฐานเบื้องต้นจริงๆภาษ า, าศาสนาเรียกว่ากายยานุปัสสนาสริปฐานมาเป็นลักษณะของการฝึกหัดปฏิบัติทันเป็นกรรมฐานปฏิบัติการ กรรมฐานปฏิบัติการมันไม่เอล้นะกรรมฐานวิชาการพอปฏิบัติการปับเระจับหลักสั้นๆที่มันเป็นลักษณะของสั้นๆแต่ว่ามันมีความหมายขยายผลไม่ได้กว้างขวา ง, วางเพราะนั้นพระ บ, บทใหม่นี่อุปชากุบาจารย์ก็จะบอกเลยธรรมะปริเฉ ท, ที่หนึ่งเมื่อเข้าวัดบวชที่ต้องรู้ทันทีเลยคือสติสัมัญญะ ใครก็ตามที่ฝึกสติมีสติมีสัมผัสอันนี้ก็เหมือนกับจะได้ธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นพ่อเป็นแม่เลยนะพ่อแม่ของธรรมก็คือสติสัมผัญญาสติคือการรู้รู้สัมผัญญาคือมันมันรู้ทั่วพร้อมทำไมเป็นปัญญาเลยว่ารู้ทั้งหมดทั้งสิ้นแหละรู้รอบกองสังขารการปรุงกันแต่งทั้งหมด มันเมื่อกี้ที่เราสวดกันน่ะนะสังขารคือร่างกายจิตใจสังขารคือการปรุงแต่งมันนะร่างกายวัตถุรูปธรรมกับปรุงแต่งของมันจิตใจน า, ามธรรมกับปรุงแต่งของมันทีนี้พอมันปรุงแต่งปั๊บมันกะกลายเป็นลนักษณะของความไม่ปกติที่มันจะปรากฏส่วนใหญ่ถ้าเป็นปุถุชนน่ะนะแต่เป็นลนักษณะของกาลยาณุปุถุชน หรือเป็นปัญญาชนก็จะปรุงแต่งไว้ในหะน้ความดีความงามอะไรดีก็จะทำจนกระังเป็นคุณธรรมประเพณีเป็นวัฒธรรมต่างๆเนี่ยนะเป็นกติกาการทำงานเป็นกรอบเป็นบทบัญยัติต่างๆทีนี้มันก็คือหษณะของชีวิตนะที่มันมีกายมีใจแล้วต้องจัดระเบียบมันนะเข้าสู่กรอบ การมาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นกรอกของธรรมชาติกรอกของธรรมชาติคือความเป็นปกติแล้วเป็นผลเป็นผลจากการละลึกรู้และรู้ถูกรู้กายรู้ใจรู้กายก็มหมายถึงว่าเนี่ยกำลังนั่งอยู่รู้อยู่อันนี้เรียก ว, ว่ารู้ถูกถ้าเรานั่งอยู่แล้วไม่รู้ว่านั่งมันไปเห็นที่บ้านตอนนี้คนที่เรารักทําอะไรนาะ อ, อย่างไร นึกถึงการงานต่างๆอันนี้แสดงว่ามันไม่รู้สึกที่ตัวไม่รู้สึกที่กายก็ไม่เป็นไรก็หมายถึงว่าเรากําลังฝึกหัดอยู่เบื้องต้นหลงก็ไม่เป็นไรรู้ ก, ก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามที่จะรู้สึกตัวอยู่มันเผลอหลงไป ม, มันก็รู้เผอหลงอันนี้กลับเป็นของดีมันหลงก็รู้มันรู้ก็รู้นะโอสมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยรู้ชัด วันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้าคำยาม3ปาปรลกาเนะื้รู้ชัดตั้งแต่ตอนกลวันรู้ชัดระทางสายกลางคืออะไรไม่จิม า, มาปฏิปทานนืะ้รู้ชัดจริงๆและการวางกายวางใจนื้รู้ชัดตั้งแต่ตอนกลวันเลยหลังจากที่ตัดสินใจที่จะนั่งทั้งคืนวันเพ็ญเดือน6กนะรนืรู้ชัดเลยว่ามันมีมารมาประจนพอเริ่ม มีทางสายกลางเริ่มเห็นชัดเจนเนทางเดินของจิตเห็นมันมีกิเลสตัณหาราคะต่างๆเกิดขึ้นทีนี้ทํำยังไงพระองคก็แน่วแน่แน่วแน่ตการรับรู้ลมหายใจโดยส่วนตัวเชื่ออย่างนี้เลยถ้าแน่วแน่รู้กำหนดรู้ลมหายใจมันเป็นบทแรกเลยของการที่ท่านกำหนดเรื่องของมหาติฏฐานสูตร ก่านกำลังดูลมหายใจอนาปาณติอยู่นะแล้ว ก, ลก็เห็นกนะิเลสเกิดขึ้แต่ก็มีสติกำหนดรู้ลมหายใจก็คือรู้กายนะั่นแหละร่างกายของเราก็คือธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมดูลมก็คือดูกายนะนะั่นแหละจะต้งเห็นไอธิดามาัตส์สามมันดับไปต่อหน้าต่อ ต, อต า, อาการอารมณ์ต่างๆที่แสดงออกมามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระองค์กชนะละตัวหยาบมาหาตัวที่มันละเอียด ตัวละเอียดขึ้นไปก็คือลักษณะของจิตของเราที่มันมีนอาการต่างๆเหมือนกับหอกที่มันแหลมคมเหมือนกับลูกธนูไฟที่มันพุ่งมาทั้งแหลมทั้งร้อนทั้งกับผ่านหลายสิ่งหลายอย่างก็มีตบะมีขันติมีความอดทนอดกลั้นเหนือนะมีความเพียรมีความขยันมีสมาธิมีปัญญามีสติเลิกรู้อยู่ จะเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกธรรมในโลกนี้มีนินทามีสรรเสริญมีลาบมียศมีทรัพย์สินเฉลิงคานต่างๆเดี๋ยวมันก็หายไปเสื่อมไปมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญท้ายสุดท่านก็เห็นเองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอมันมีตัวเราไปรับในการต่างๆที่กำลังปรากฏทั้งภายนอกทั้งภายนรูปลดกลิ่นเสียงโพธภาธรรมาร ท่ามีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้ลมหายใจนะรู้เห็นอาการของสติที่เป็นปกติมารู้จิตที่ปกติมีสมดุลเป็นสมาธิตั้งมัน่นมีความเป็นปกติมีศีลอยู่แล้วมันก็เกิดปัญญาคือมันเห็นสภาวะต้องภายในภายนอกพร้อมทั้งทางเดินะที่เร็วามาักผลมักผลมักผลจนกระทั่งมันเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นตอนไป นี่แเราจะได้มาฝึกกันมันก็เดินทางนี้แหละไม่ได้เดินทางไหนแล้วความรู้สึกตัวมันเป็นมกักเป็นผลเป็นมกักเป็นผลมันก็เดินทางนี้แหละดังนั้นตัวเราก็ต้องเรียกว่าฝึกเอาเองหลังจากที่สมัยเวกานมีองค์สมเด็จสัมมาเจ้าแล้วก็มีการสืบทอดต่อเนื่องกันมาโดยเหล่าพระรหัสทั้งหลายแล้วก็มาถึงยุคสองพันกว่าปีนะสองพันห้าร้อยตอนนี้ก็ห้าสิหกปี ก็จะมีหลวงพ่อครูบาจารย์อย่างที่นี้ก็ต้องยกให้หลวงพ่ อ, เ, อเขียนส่วนโนท่านเป็นประธานสงเราก็เงี่ยหูฟังท่านแหะเวลาท่านจะส่งอารมณ์อะไรหมายถึงอะไรบุคลาที่สถานทำมาที่ฐานเรื่องเล่าเป็นยังไงธรรมะในตัวเราเป็นยังไงก็เทียบเคียงทันที่สภาวะทุกครั้งที่ท่านได้พูดคําพูดตะละประโยตะคตะลักคามันมีความหมายเราก็เงี่ยหูฟังจริงๆเราก็จะไม่ได้เหมือนกับว่านั่งงงเหงาน อ, นอนกัน ทางวงเหาๆนอนก็ยังดีถ้ารู้ว่าว่งเหาๆหานอนมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นธรรมะที่ตัวเราเองเทศให้ตัวเราเองฟังเป็นสภาวะธรรมนะแต่ว่าฟังคนอื่นเนี่ยเป็นของคนอื่นมันเป็นคำสมมติพูดมันไม่ใช่ของเราจริงๆนะแต่ถ้าของเราจริงๆก็คือตอนนี้รู้สึกตัวอยู่รู้ลมหายใจรู้ท้องพองยบร้วนั่งกระทบเพลินอยู่ รั่วพัดลมมาโดนตัวรั่วเสื้อกระทบอยู่รั่วผมมันคลอกเลียอยู่รั่วกาลังสัมผัสกระทบเจตนาผลิตมันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นอุบายอุบายทําให้เราได้อยู่กับปัจจุบันนักผ่านสภาวะธรรมรัศมาการต่างๆที่ปรากฏตะลักนะมันจะแตกฉานเห็นกายเคลื่อนไหวอย่างงี้นะมันเห็นอยู่แต่ใหม่ๆมันจะไปอยู่กับการเคลื่อนการไหวมันจะไม่ได้เห็น มันจะอยู่ก่อนเวลาฝึกความรู้สึกตัวนะเคลื่อนมือรู้สึกตัวเนะี่ยมีตัวเราเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนะนะก็เรียกว่าอารมณ์สมถากรรมฐานนะนะแล้วพอทําทไปทําไปมาเริ่มปรากฏวิปัสนาแน่นอนจะรู้สึกตัวพอมันรู้สึกตัวมันก็เริ่มรู้สึกว่ามีอาการต่างๆเกิดขึ้นรู้พอมันรู้มันก็เริ่มนะเรียกว่าเกิดไว้พิปติภานขึ้นมา รู้น้อยๆก็มีน้อยๆรู้มากๆแล้วก็ผ่านได้ไว เ, เป็นไวพิปฏิพานที่มันก็มันก็ว่าสติมันมากขึ้นปัญญามันมากขึ้นมันมีกําลังขึ้นมาภาษาศาสานาก็จะมีภาษาพูดเยอมากมายแล้วกันแต่ว่าวันนี้เรามาใหม่ๆกันอยู่ก็ขอแกล่าวตอนรับแค่นี้ก่อนเป็นลัษณะของธรรมปฏิสันต์ผู้เพื่อให้ลักษณะได้ยินได้ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไร สรุปแล้วก็คือมาที่นี่นะเราก็จะปฏิบัติบูบชากันและมีหลักธรรมฐานมีการเดินจงกรมในรูปแบบในการนั่งสร้างจังหวะในรูปแบบหรือว่าทำวิธีการอื่นๆเป็นก็ทําไปเถอะแต่ขอให้แยกแยกให้ได้ว่านี่คือความรู้สึกตัวที่กายกําลังมีธรรมชาติของกายมีการของกายปรากฏสภาวะผู้ดูผู้รู้แล้วมันเห็นไมเข้าไปเป็น มันจะเป็นสภาวะของการเห็นตัวเองแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติดเดิมของมันก็คือกายปวดใจไม่ต้องปวดก็ได้นะคืนคืนสภาวะอาการต่างๆกายปวดปัสสวะใจไม่ต้องปวดไม่ต้องทุกข์ก็ได้ยเหรือว่ากายมันหิวใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ไม่ต้องโมโหหิวก็ได้หรือว่ากายมันง่วงนอนอย่างเงี้ยใจไม่ต้องง่วงก็ได้เออมันก็มีเหมือนกันนบางทีกายก็ง่วงนอน ยังไงก็ต้องหลับถ้าใจง่วงนอนนะแต่ถ้าใจง่วงเนี่ยหาอะไรทํำจะหายง่วงแนละ้วถ้าใจง่วงนะถ้าจิตมันง่วงมันซึมนะปฏิบัติธรรมแล้ก็สังเกตกันอย่างนี้แหละเราเห็นการเคลื่อนไหวของกายแล้วการเคลื่อนไหวของจิตแล้วก็ตัวสติสมาธิปัญญาที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้มาหาอะไรนะธรรมะนี่เราไม่ได้มาหาอะไรเด็ดขาดเลยธรรมะกำเราเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาเลย เราจะไม่วาดฝันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นน่าจะเป็นอย่างนัน้ น, นอย่างนีน้เราจะไม่วาดฝันแบบนั้นไว้แต่เราจะเริ่มรับรู้เรียนรู้ธรรมชาติที่กําลังปรากฏที่กายที่ใจของเราตรงเนี้นะเราจะได้เห็นธรรมะในตัวเราจริงๆกันแล้วก็ใส่บรรยากาศเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นกระรายนมิตรต่อกันก็คือจนกันไปนทางที่ไม่เสื่อมชวนกันลักษณะของการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่า น้ำจิตน้ำใจที่เรียกว่ามีเมตตาก็าน้ำมเมตตาเบิกขาเราก็ได้ใช้กันหมักนิดเบาหน่อยแล้วก็อ่อนๆปอตามให้อภัยกันทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการถือสาหาความกันเด็ดขาดมีแต่ปรารถนาดีต่อกันแล้วก็พยายามประคับประคองกันเพื่อให้มันก็ว่าช่วง 4-5 หวันหรือว่าอีกกี่วันก็ตามเราจะได้อยู่อย่าง ได้รับประโยชน์อภัยโยมีการพัฒนาเจอทั้งความทุกข์มันลดลงความทุกข์มันลดลงเราก็ได้มาเพื่อรับสการ์และอันนั้นเป็นแค่ใบหรือว่ากิ่งไม้มันไม่ใช่แก่นก็คือวิมุตต์วิมุตต์ก็คือหลุดพ้นจริงๆไม่มดไปแน่ลมทั้งปวงความโกรธเราจะไม่มุดเข้าไปความโลภเราจะไม่มุดเข้าไปความหลงเราจะไม่มุดลงไปมันเป็นความมืดเป็นความหนักอกหนักใจและทายสุดคือบาปคือนรก มันเป็นความทุกข์เกิดโทษเกิดภัยต่างๆมากมายเหลือเกินนะอะไรเห็นว่าสมควรแก่เวลาวันนี้ก็ยุติแต่เพียงท่านี้นะเดีย๋ยวเรากลาวา พ, พร้อมกัน